หรือตลอดจนถึงมีวิมุตต์บรรลุมรรคผลไปแล้วเนี่ยทําไมเพราะท่านอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีคนยอมรับมีความสุขโดยโดยลําพังตัวของท่านอยู่แล้วเนี่ยนะจนไม่รู้ว่าคือเรียกว่าเหมือนกับกับกงสดานเนี่ยมันหักหักนี้หมดแล้วอะ่ะก็เลยไม่ไม่จำเป็นจะต้องให้คนอื่นมาเคาะมาขอร้องมาอ้อนวอนหรือมีความสุขอยู่กับ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 นี่วิธีการก็ได้บาดไม้จันมาอันหนึ่งบาดไม้จันมาอันหนึ่งแล้วก็มากลึงะนะได้ปุ่มไม้จันแล้วมากลึงเป็นบาดแล้วไปแขวนไว้นะถ้าใครเป็นพระอรหันหอเอาแล้วกันนะ ถ, ถ้าถ้าเหาะมาจึงจะให้ถ้าไม่เหาะไม่ให้ไม่ถวายทางนั้นเอาอวดกันว่าอารหันกันทั้งบ้านทั้งเมืองยนะก็เลยในที่สุดก็พระปิรินทวชชท่านก็เหาะไปเอา แล้วก็ได้บาทมาเนี่ยประชาชนมาบอกโอ้นิมนแสดงฤทธิ์ให้ดูหน่อยนิมนแสดงฤทธิ์ให้ดูหน่อยท่านกโมัวแต่แสดงฤทธิ์อ่ะนะวัดเนี่ยดังกระหึ่มหมดเลยเนี่ยนะคนเนี่ยแห่เดินตามพระพระปิรินทวชะนิ่ยะมากเลยพระพุทธเจ้าบอกเสียงอะไรเหมือนชาวประมงแย่างปลาบอกก็ท่านพระปิรินทวชะไปเหาะมาเนี่ยโยมก็ถวายบาทมาอันหนึ่งพงตําหนิเหมือนกับอะไรเหมือนกับสตรีผู้เปิดของลับให้ผู้อื่นเนี่ยนะ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 แล้วก็ปรับบัญญัติอีกนะว่าถ้าผู้ใดแสดงฤทธิ์เป็นอบัติแสดงแบบิกบุพนาฤทธิ์ปแปลงร่างประเภทแบบนั้นเนี่ยนะไปเหาะเหินเดินอากาศให้คนอื่นดูแสดงอะไรแบบลักษณะแบบนั้นเป็นอบัติอีกต่างหากเลยนะลักษณะนะั้นพระอาตหันทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยคือคือที่จริงแล้วท่านทําด้วยเจตนาที่ดีนะพระเตลินทวัชชะทําด้วยเจตนาดีแต่พระพุทธเจ้าตรัสเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นเพราะพระพุทธเจ้าในฐานะเจ้าของพระศาสนา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 คือพระอาหารหันต์ทั้งหลายรับใช้คนเดียวคือรับใช้พระพุทธเจ้ารับใช้พระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของท่านเนี่ยนะผู้เป็นศาสดาของท่านเพราะฉะนั้นพระศาสดาแส ด, สดงสิ่งใดบัญญัติสิ่งใดท่าน ร, ารู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นการไกลกกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นการไกลก็มีการยอมรับเนี่ยนะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมของพระริยาเจ้าทั้งหลายจึงเป็นไปตามคําสอนเนี่ยนะจึงเป็นไปตามคําสอน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 ดำรงอยู่ใน ส, สิ่งที่เป็นสาระแล้วก็เป็นแก่นสารทั้งก็เลยรักษาพระาศาสนายั่งยืนมาจนถึงยุคปัจจุบันถ้ายุคปัจจุบันประพฤติดีและปฏิบัติชอบเป็นไปตามคําสอนสาศาสนาก็ยั่งยืนอีกนานแน่นอนแต่ถ้าหากว่าไม่มีการประพฤติดีปฏิบัติชอบถึงจะเรียกร้องความเห็นใจเรียกร้องศรัทธาเขาก็ไม่ศรัทธาเพราะถามว่าทำไมเพราะไม่สามารถจะยังจิตให้ตั้งอะไม่สามารถรักษาความเลื่อมใสของ ของเขาในระยะยาวได้แต่ผู้ที่มักน้อยจริงๆนั้นสา ม, มารถรักษาศรัทธาของของทายกหรือของผู้ให้ทานเนี่ยนะของผู้ทําบุญทั้งหลายให้ยั่งยืนและยาวนานอธิบายว่าจริงอยู่ภิกษุผู้มีความมักน้อยนั้นย่อมรับเอาแต่น้อยเพราะตนเป็นคนมักน้อยโดยประการใดๆเหล่ามนุษย์ผู้เลื่อมใสในวัดหรือข้อปฏิบัติของท่านย่อมถวายมากโดยประการ นันๆเนี่ยนะคือเขาก็จะเลี้ยงดูให้ท่านอยู่อย่างสบายแหละว่า ง, งั้นเถอะเขาก็ผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายเขาก็ไม่ปล่อยให้เดือดร้อนอยู่แล้วล่ะเนี่ยนะก็สามารถที่จะยังอ ะ, อะไรนะยังศรัทธาหรือยังจิตของผู้ที่เลื่อมใสให้ยั่งยืนอยู่ต่อไปอีกในหนึ่งเนี่ยนะอีกรูปแบบหนึ่งพวกมรคน้อยมีอยู่สี่ประเภทด้วยกัน 1. มรคน้อยในปัจจัย4 2มรคน้อยในทุดง3มมรคน้อยในปริย 4, ัตสมรคน้อยใน อาทิคมเอ๊ะมักน้อยในปัจจัยเป็นไงเขาบอกว่าผู้มักน้อยในปัจจัยสี่ชื่อว่าเป็นผู้มักน้อยในปัจจัยอผู้ที่มักน้อยในปัจจัยสี่เนี่ยนะเขาบอกเอ๊ะทาไมเราต้องมักน้อยในปัจจัยสี่ด้วยน่าจะสังสมมาเยอะๆใช่ไหมน่าจะสังสมไว้เยอะๆแล้วจะดีสําหรับอืม คือดูเหมือนดีในตอนต้นแต่ว่าไม่ดีแท้ในตอนหลังเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยๆกล่าวอีกทีหนึ่งย้อนกลับมาว่าผู้ที่มักน้อยในปัจจัยเนี่ยนะเขาจะหนึ่งรู้ความสามารถของทายกสองรู้ความสามารถของทายธรรมสามรู้กําลังของตนเช่นถ้าทายธรรมมีมากของเนี่ยเยอะแหละแต่ผู้ให้ทายกคือผู้ให้เนี่ยต้องการจะให้แต่น้อยก็รับเอาแต่น้อยตามความสามารถของ ทายกคือผู้ให้เขามีเยอะแหละแต่เขาต้องการให้น้อยลนะ่ะเขาก็เอาแต่น้อยสิเพราะเขาอยากให้น้อยจะไปเอาเยอะทําไมเหมือนกันอย่างที่สองไทยธรรมมีน้อยแต่ทายกมีศรัทธา ม, มากจะให้มากจะถวายมากก็รับเอาแต่น้อยเพราะอะไรเพราะไทยธรรมคือของที่เขาให้เนี่ยมีน้อยทีนี้ถ้ามันเหลือเฟือทั้งสองอย่างไทยธรรมก็มีมากทายกเขาก็ต้องการจะถวายมากทําไงรู้กําลังของตนรู้อวตา ร, รู้พอความพอดี ว่าตัวเองสมมติเขาให้อาหารมาเยะแยๆไปหมดเลยเนี่ยนะเขาก็ถวายจะเอาไปกี่บาทกี่บาทก็เอาไปเถอะยังไงนะเอาอิ่มเดียวก็พอเนี่ยนะก็เอาแค่ตัวเองอิ่มก็เพียงพอแล้วที่เหลื อ, อไปทำอะไรอีกเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าคนที่มักน้อยในปัจจัยทีนี้ถ้าเอาปัจจัยไว้เยอะๆมาสั่งสมอะไรจะเกิดขึ้นสมมติถ้าสังสมปัจจัยคือถ้ายิ่งสะสมสตังค์ไว้เยอะๆเนี่ยนะก็เรามีสตังค์หรือเรียกว่าอะไรนะ รับสตังเนี่ยมันก็ไม่ไม่เป็นไปตามธรรมวิานัยอยู่แล้วล่ะถามว่าถ้าสังสมด้วยจะไปถึงไหนคะเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีคิดว่าจะมี จ, ม, จมีความสุขเลยใช่ไหมใช่ไหมโดยเฉพาะชีวิตนักบวชทั้งหลายเนี่ยพมันพระอาหารหันต์รูปหนึ่งท่านบอกว่าใครที่สะสมปัจจัยไว้เยอะคนนั้นก็สะสมศัตรูไว้เยอะเนี่ยนะก็ก็คืออะไรลาบสการะทั้งหลายปัจจัยสี่ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งริษยาเนี่ยนะน้อยคนนักที่จะไปเห็นใจคน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 มันผู้ที่มีอํานาจมีปัจจัยทั้งหลายโดยมากก็ต้องทําใจเลยว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีศัตรูเยอะเนี่ยนะมีศัตรูมากนั้นถ้าว่าพระพระพระสององค์ข้าเจ้าทั้งหลายมีปัจจัยเยอะๆและอะไรจะเกิดขึ้นนะนีก็ต้องมีคนไปคอยอรักขาเนี่ยงั้งมีทหารยามอยู่หรือเปล่าอย่างงี้ก็ไม่คงไม่ใช่แล้วมั่งเนี่ยนะนี่ต่อไปผู้ที่ปรารถนาน้อยหรือมักน้อยในทุดงคือหมายความว่าท่านรักษาทุดง มากน้อยในทุดงบอกว่าไม่ต้องไปรักษาทุดงไม่ใช่อย่างนี้หมายคือว่าตัวเองเป็นพระที่ทุดงทุดงเนี่ยแปลว่าองค์คุณของผู้ขัดเกลวทุดงเนี่ยนะทุตะมาจากคําว่าทุตะทุตะเนี่ยแปลว่าขัดเกลว์ขูดเกลวอังคะเนี่ยนะทุตะบวกอังคะเรียกภาษาไทยว่าทุดงเนี่ยนะไม่ใช่ดงคือป่านะไม่ใช่เลยทุตังคะเนี่ยนะทุตะอังคะหมายวก็ว่าองค์ของผู้ขัดเกลว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 ทุดองอยู่ป่าช้าเนี่ยนะทุดองประเภทอยู่ป่าชา้าท่านอยู่ป่าช้ามาหกสิปีแม้แต่ภิกษุสักรูปหนึ่งอื่นๆเนี่ยไม่รู้เลยว่าท่านเป็นพระที่อยู่ป่าช้าเป็นวัดต่อเนื่องกันมาหกสิปีแสดงว่าห0สปีตอนนี้พระรูปมีอายุ8ปดสปีพราะท่านบวชมาตั้งอายุเท่าไหร่บวชพระได้ก็ต้องยี่สแหละมันนั่นท่านก็เลยบอกว่าเราอยู่ลำพังคนเดียวในป่าช้ามาหสิปี เพื่อนก็ไม่รู้เราโอ้เราเนี่ยอดของผู้รักษาโสสานิกังขาทุดงเนี่ยปีติไม่ให้ว่างั้นคนที่คิดได้อย่างนี้มีความปราบปลื้มใจมีความสุขสุขอยู่ภายในโดยที่ไม่ต้องสุขจากคําชื่นชมจากคนอื่นเนี่ยนะมีความสุขอยู่ในตัวอยู่แล้วว่างั้นหรืออีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะพระเทระพี่น้องที่อยู่ในเจติยาบันพศพระเถระองค์น้องรับท่อนอ้อยที่อุปถาส่งมาถวาย เสร็จแล้วก็ถือท่อนอ้อยเนี่ยไปยังสำนักของพระเถระผู้พี่ชายแล้วก็พูดว่าหลวงพี่นี่ม้วนฉันสิพระเถระเนี่ยท่านก็ฉันเสร็จแล้วก็ม้วนปากเรืยเพราะเออบ้วนปากล้างปากเสร็จแล้วเนี่ยนะพระเถระก็บอกว่าพอแล้วล่ะผมไม่ฉั น, น่ะพอและน้องชายก็เลยถามว่าเอาแล้วหลวงพี่ถือหรือว่าพันเตเนี่ยท่านผู้เจริญถือเอกาสนิ ก, กังฆาทุูดงหรือเออเอ้อยมาก็ได้ขอฉันอ้อยแล้วกันนะเปลี่ยนประเด็นเลยไม่คุยถึงเรื่องธูดงหนึ่งต่อเลยเนี่ยนะ น้องชายพูดเรื่องทุดงแต่ไม่พูดเรื่องทุดงองว่านเอาอ้อยมาแล้วท่านก็ปกติเนี่ยท่านรักษาทุดองมาเนี่ยไอ้ถืออาสนะเดียวนั่งฉันอยู่ที่เดียวเนี่ยมาห้าสิบปีท่านปกปิดไม่ให้น้องชายท่านรู้เลยว่าท่านรักษาทุดงมาเนี่ยนะแต่แล้วก็ท่านก็ฉันเสร็จฉันอ้อยเสร็จบ้วนปากอธิษฐ า, านทุดงต่อไปเอ๊ะถ้าถามอย่างนี้มีมายาหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าบอกไม่ ท่านเป็นผู้ขัดเกลว์เนี่ยนะไม่ได้ทําเพื่อให้คนอื่นยอมรับแต่ทําเพื่อต้องการขจัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในภายในไม่ใช่ท่านเป็นคนมีมายาบางคนเรียนตรงนี้ไม่ดีเอเนี่ยทาตัวแบบนี้ก็มีมายาสิหลอกลวงสิคําว่าหลอกลวงแปลว่าตัวเองไม่มีคุณธรรมแล้วเสแสร้งให้คนอื่นมีคุณธรรมแต่ถ้ามีคุณธรรมแล้วไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้เรียกว่ามักน้อยเนี่ยนะ